เราต้องพัฒนาใจของเราไปเรื่อยๆอย่าอยู่กับที่อยู่กับที่ไม่ได้แต่เดี๋ยวก็ไหลลงที่เดิมไหลต่ํายามพัฒนาใจของเราไปพระพุทธเจ้าสอนวิธีไว้แล้วแต่แต่เรเรียนให้รู้เรื่องแล้วก็อดทนปฏิบัติมันไม่ยากไม่ยากเท่าที่คิดหอก แต่ถ้าเราไม่รู้หลักนะโอยลมลุกลุกลานยากที่สุดเลยถ้ารู้หลักแล้วไม่ยากอะไรสิ่งที่เราปฏิบัติมีสองอย่างการฝึกจิตมีสองอย่างการปฏิบัตินั้นมีสามอย่างปฏิบัติให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีการฝึกจิตมีสองอย่าคือให้มีสมาธิกับมีปัญญามีสองอย่าง งานที่เราต้องทำนั่นคือสมถะกับวิปัสสนาเราก็ต้องมาดูตัวเองบางคนต้องทําสมถะก่อนจเจริญปัญญาทีหลังบางคนจเจริญปัญญาก่อนแล้วก็เกิดสมาธิขึ้นมาทีหลังบางคนทําสมาธิกับปัญญาควบกันคนที่ทําสมาธิกับปัญญาควบกันต้องเก่งสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเข้าชาญเก่งเข้าสมาธิเก่ง เรื่องที่สองต้องดูจิตเก่งถ้าเข้าสมาธิเก่งแต่ดูกายเก่งนะเข้าสมาธิไม่ดูกายแล้วบางทีกายหายไปเลยไม่มีกายให้ดู mm hmm. ถ้าเก่งมากๆนะก็ะทั่งสมาธิลึกระดับเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้ยร่างกายหายไปหมดแล้วความรู้สึกเนี่ยเหลือนิดเดียวแต่ไม่ขาดสติไม่มีการหมาย ไม่มีการหมายรู้หมายนิดๆเหมือนไม่หมายพวกเราสังเกตไหมเวลาเราหมายรู้ทางใจเราจงใจไปรู้อะไรทางใจใจจะดิ้นขึ้นมานึกออกไหมใจจะดิ้นรนใจจะทำงานขึ้นมาความหมายรู้ทางใจเกิดขึ้นที่ไรใจก็ดิ้นทุกทีเลยถ้าภาวนาทำความสงบได้มากๆนะจะไม่ไปหมายอะไร ไม่มีความจงใจจะหมายยิ่งจงใจหมายยิ่งปลุงมากใครเห็นตรงนี้บ้างว่าเวลาจงใจไปหมายรู้นะจิตปลุงเยอะเลยแต่ถ้าไม่ได้จงใจจะหมายนะจิตไปหมายเองนะก็ปรุงอีกเหมือนกันกนะ็มีความปลุงเกิดขึ้นเพราะสัญญานะนะั้นมันทำให้เกิดสังขารได้สัญญาเกเวทนาทำให้จิตตสังขารจิตมันปลุง นี่บางคนทำสมาธิลึกนะจนกระทั่งสัญญาเกือบจะไม่ทำงานรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรไม่คิดไม่นึกไม่อะไรสินะ้นรู้อยู่เฉยๆแต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรใจไม่ดิ้นต่อนี่สมาธิลึกลงไปมีสมาธิถัดจากนั้นไปอีกชื่อนิโรธสมปัตติพวกเราอย่าไม่ต้องเรียนนะทำไม้เป็นนี่คนที่ ถึงในวสัญญาเนี่ยในคาพีนะสอนไหมว่าถ้าเป็นพระอริยะนะชนาญการดูจิตนะจะไปเจริญมิปัสสนในในวสัญญาได้ถ้าไม่ใช่พระอริยะชำนาญการดูจิตนะเข้าในวสัญญาแนละ้วจะไปเจริญมิปัสสนไม่ได้เวลาไปเจริญมิปัสสนในสมาธิจะเห็นองค์ฌานนะมันเปลี่ยนแปลง เช่นมันมีปิติมีปิติเกิดขึ้นสติะระลึกรู้ปิติก็ดับไปเกิดอุเบกขาเกิดสับความสุขอะไรเงี้ยความสุขดับไปเกิดอุเบกขามันเด่นขึ้นมาจริงมีปิติก็มีความสุขนะแต่ความปิติมันฉูดฉาดเนีย่ยมีปิติอยู่จิตก็ไปเพ่งเลง็งดูที่ปิติสติะระลึกรู้ปิตินะไม่ได้รู้ะระลึกรู้อารมณ์ขององค์ฌาน ปีติดับปีติดับแลตัวสุขเป็นตัวเด่นขึ้นมาสติระลึกรู้วตัวสุขไม่ได้ระลึกอารมณ์ของฌานไม่ได้เอาปฏิภาคนิมิตเป็นอารมณ์ละตัดอารมณ์ชั้นตัดอารมณ์ขององค์ฌานทิ้งตั้งแต่ลาวิตตุปิจารน์ไปจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาก็เห็นปีติ ปีติมันเด่นแล้วนะปีติดับความสุขมันเด่นความสุขดับอุเบกขามันเด่นมีอุเบกขานะจิตอาจจะถอยออกมามีปีติขึ้นมาก็ได้ถอยลงมามีความสุขก็ได้เวลาเข้าฌานไม่ใช่ต้องเข้าหนึ่งสองสาี่ห้าหเจ็ดแปดไม่ใช่หนะึ่แล้วไปห้าก็ได้หนะึ่แล้วไปสี่ก็ได้ไปสามก็ได้สามแล้วขึ้นไปเจดก็ได้ แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ความชำนาญคนโดดเร็วผู้ผู้ผผ่านไปพระโมกคลาเข้าเร็วเข้าชานสี่เร็วที่สุดท่านเคยลองดวลกับพญานาคพญานาคอ้าปากท้าพระวงไหนแน่จริงนะห่อเข้ามาในปะนะนากนะนาคนี่จะงับงูงับเร็วไหมอย่าทำสมาธิห่อเข้ามาแล้วก็หนีออกไปนะ เขเข้ามาอยู่ในปากเนี่ยให้ออกจากสมาธิก่อนแล้วเข้าสมาธิใหม่แล้วหนีให้ทันก็แล้วกั น, นะเร็วอย่างนั้นนะภาษาดิบุตรนะรับอาสาผู้เจ้าไปเล่นตัว น, นี้นะท่านไม่ให้เล่นไม่ทันมีแต่ท่านกับพระโมคคลาที่ทำทันมยเข้าสมาธิเร็วท่านไม่มานั่งเข้าอย่างพวกเราหนึ่งสองสามสี่งูกัดตายไปแล้ว <c oughs> นึกจะเข้าปุ๊บก็เข้าเลยนะ ชำนาญเป็นขนาดนะเข้าปุ๊บออกปั๊บนะเข้าอีกกำหนดจิตให้เกิดอภิญญาออกจากสมาธิเข้าสมาธิอีกเกิดอภิน ญ, ญาเข้าเข้าออกออกนะไม่ใช่ปุ๊บเกิดอภิญญาคล้ายๆต้องสปีดเหมือนกันนะ๊ปุ๊บๆๆ๊ปุ๊งไปอย่างเงี้ยนะงั้นเวลาถ้าเราชำนาญทั้งสมาธิทั้งการดูจิต จะไปทําการเจริญวิปัสสนาในสมาธิได้แต่ถ้าชำนาญดูกายนะเข้าฌานแล้วจะมาดูกายจิตจะถอยออกมาอยู่อุปจาระจะไม่เรียกว่าทําสมาธิกับปัญญาควบกันนะหลุดจากฌานแล้วดูจิตนี้ดูต่อไปได้เรื่อยละเอียดประณีตเป็นลำดับลาดับไปพอไปถึงฌานที่เจ็ด ไม่มีอะไรหมายเป็นว่างเปล่าปล่อยทุกอย่างทิ้งแะไม่ได้กําหนดอยู่ที่อารมณ์ไม่ได้กําหนดอยู่ที่จิตอาการสายนัญจายตนะเนี่ยกําหนดอยู่ที่อารมณ์อารมณ์ผือช่องว่างวิญญาณัญจายตนะมากําหนดอยู่ที่จิตอากินจัญญาตนะเนี่ยปล่อยทั้งอารมณ์ปล่อยทั้งจิตเป็นความไม่มีอะไรเลยยึดอะไรอยู่ยึดความไม่มีอะไรเลยอยู่ถึงตรงเนี้ ที่จะเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยเข้าที่เจ็ดนะไม่ใช่เข้าที่ฌานแปดนะตรงนี้น้อมจิตไปไม่จับอารมณ์ไม่จับที่จิตแต่ไม่ได้น้อมเข้าหาความนิ่งความสงบนะจิตเคลื่อนไปสู่อารมณ์รู้ทันไม่จับอารมณ์จิตเคลื่อนกลับมาสู่จิตนะสติเคลื่อนกลับมาสู่จิตรู้ทันไม่จับจิตแล้วมันรวมลงตรงกลาง ระหว่างจิตกับอารมณ์ไม่จับอะไรเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไม่ได้เข้าไม่เข้าจิตจับความไม่มีอะไรไม่ได้ไปยธ์ตัวนี้อยู่จิตเคลื่อนไม่ได้จับนิ่งนิ่งนี่พออยู่กับอารมณ์ที่ละเอียดเนี่ยสัญญามนจะอ่อนลงเมื่อจิตเนี่ยผ่านจากฌานที่เจ็ดเข้าฌานแปดอัตโนมัติแล้วก็โดดเข้านิโรธไป จำเรียนๆไว้ก็ได้นะวันหนึ่งข้างหน้าเปือจะใช้นี่เข้าเข้าอย่างนี้นะเข้าไปด้วยมันจะเห็นนะกระทั้งชานก็ไม่เที่ยงหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดขึ้นอันที่เก้าไม่เรียกชานล้วก็ไปเรียกสมบัตินะไล่ขึ้นไล่ลงมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์เป็นของเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะ ถ้าเห็นอย่างนี้นะถ้าเดินปัญญาอยู่ในสมาธิในรุ่นเราหลวพ่อเห็นทำได้คนสองคนเองอะก็เราที่มาเรียนนะมีไม่มากอะเพราะส่วนใหญ่ไม่ได้ชำนาญสมาธิจริงที่ชำนาญสมาธิจริงๆแต่เขาไม่ชำนาญเรื่องจิตเขาก็ทำไม่ได้อีก มีแต่ว่าธําสมาธิ อ, าออกจากสมาธินะถอยลงมาอยู่ในอุปจาระอะไรเงี้ยออกจากฌานมาอยู่ในอุปจาระแล้วมาพิจารณกายมาอะไรอนะอันนี้เป็นสมาธินำปัญญาเป็นสมาธินาปัญญามมันเดินปัญญาอยู่ในช่วงอุปจาระพวกเราทำสมาธิกับปัญญาควบกันก็ยากยาก pues ที่สุดใช้สมาธิ นำปัญญาก็ยากใจไม่ค่อยสงบนไม่ค่อยมีทางเลือกแล้วเหลือทางเลือกสุดท้ายแล้วคือใช้ปัญญานําสมาธิพวกเราก็จะใช้ปัญญานําสมาธิเราพอทําได้พวกเราปัญญามากหากินก็ด้วยใช้ความคิดเอาเนาะใช้สติปัญญาไม่ได้ใช้แรงกายเท่าไหร่แล้วยุคนี้หัวโตวตัวรีบหลวงพอ่อหัวรีบตัวโตว <c oughs> วิธีฝึกน ะ, จะเจริญปัญญาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี้ยฝึกให้มากเลยตัวนี้ใช้ปัญญานำสมาธิจะเกิดทีหลังอาศัยสตินี่แหละคอยรู้ทันจิตบ่อยๆพอกิเลสเกิดขึ้นที่จิตเรามีสติรู้ทันกิเลส จ, จะดับมีสติรู้ทันจิตตัวเองไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทัน ศีลจะเกิดขึ้นอย่างแต่เดิมรักษาศีลยากนะเ้ามีสติรู้ทันจิตกิเลสเกิดรู้ทันศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นรักษาศีลง่ายพวกเราเดี๋ยวนี้รักษาศีลง่ายขึ้นรู้สึกไหมใครรู้สึกบ้างเห็นไหมรักษาศีลไม่ยากอย่างแต่ก่อนแล้วนะแต่ก่อนยากนะบางคนไปไหนก็ชอบอารัธนาศีลถ้าให้ศีลยังไม่เสร็จนึง ก็คุยกันจอกแจ๊กจอกแจ๊กนะฟุ้งซ่านไปแล <c oughs> ้วปากมากพูดมากศีลดังพร้อยพูดโดยไม่จําเป็นศีลดังพร้อยจิตใจฟุ้งซ่านสมาธิเสียเห็นไหมพูดโดยไม่จําเป็นนี่เสียหายหลายอย่างศีนก็ดังพร้อยสมาธิก็เสียปัญญาไม่มีมจิตฟุ้งซ่านหมดเลยเราอย่านึกว่าเล่นๆ น, นะการพูดเพิรเจอร์ศีนสมาธิปัญญาหายหมดเลย แค่พูดเพอเจอร์อย่างเดีย ว, วไม่ทันจะไปตีกับใครเลยเนื้อออกไหมพูดเพอเจอร์จิตฟุ้งซ่านไปเสียศีลแล้วเสียศีลศีลดังพร้อยนะเพราะว่าพูดเพอเจอร์เป็นมุสาวาสพูดเพอเจอร์จิตสงบในจิตฟุ้งซ่านก็จิตฟุ้งซ่านใช่สมาธิก็เสียจิตฟุ้งซ่านเดินปัญญาไม่ได้อยู่แล้วว่าปัญญาก็ไม่มีเนี่ยกระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆ น, นะ ถ้าเราไม่สํารวมไม่ระวังศีล ส, สมาธิปัญญาเสียนะ่ะนย่าทำเป็นเล่นๆ น, นะเรื่องมันละเอียดมันประณีตมากเลยในการภาวนานี่ทำไงจะรักษาศีลได้ดีมีสติรักษาจิตไว้เนี่ยสาหรับคนที่เข้าชานไม่ได้นะมีสติรักษาจิตไปด้วยกิเลสเกิดรู้ทันกิเลสเกิดรู้ทันศีลก็เกิดขึ้นต่อมาเราดูละเอียดขึ้นไปถ้าจิตฟุ้งซ่านขึ้นมา จิตเคลื่อนไปจิตไหลไปจิตส่งออกไปจินส่งออกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจส่งทางใจคือส่งไปคิดจิตที่ส่งออกไปคือจิตที่ฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตไม่มีสมาธิสมาธิกับฟุ้งซ่านมันกลับข้างกันถ้ามีสมาธิก็ไม่ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็ไม่มีสมาธิเพื่อ ง, ง่ายๆแค่นี้แหละฟุ้งซ่านเป็นกิเลสเราทําชัน ให้จิตสงบไม่เป็นนะไม่ยากอะไรที่จิตจะสงบมีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเป็นกิเลส ท, ทันทีที่สติะระลึกรู้ความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะกิเลสกับสติเกิดร่วมกันไม่ได้ทันทีที่ความฟุ้งซ่านดับสมาธิก็เกิดอัตโนมัติแต่เกิดชั่วขณะเนี่คอคณิกาสมาธิ mm. เกิดเป็นขณะขณะไปแต่ถ้าเกิดบ่อยทีละขณะเกิดบ่อยๆมันจะรู้สึกต่อเนื่อง จะรู้สึกรู้สึกตัวอยู่ได้เป็นวันวันเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ได้สุดท้ายมันก็รู้สึกตัวได้ยาวขึ้นมาแท้จริงแล้วก็รู้สึกเป็นขณะขณะขณะแต่รู้สึกทีทีพอทีทีขึ้นมามันก็เหลือรู้สึกต่อเนื่องอย่างเราดินสอมาลากเส้นขีดเส้นตรงหนึ่งเส้นเอาแว่นขยายไปส่องดูแเราจะเห็นเนี่ยจุดดำดำนะมันเป็นจุดๆเท่านั้นแหละขาด เป็นช่วงๆช่วงๆนะแต่วันทียิบเลยเพราะมันทียิบมันเลยดูเป็นเส้นขึ้นมาเหมือนไฟฟ้าเนี่ยเกิดดับวินาทีหนึ่งหลายสิบรอบแต่มันเร็วเกิดดับเร็วเรารู้สึกไฟฟ้าสว่างคงที่อยู่สตินี่ถ้าเรารู้ทันจิตนะ จ, จ, จิตขยับไปนิดหนึง่งเรารู้ทันจิตขยับไปนิดหนึง่งรู้ทันเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาสมาธิมันเกิดขึ้นรู้สึกว่าต่อเนื่องได้เหมือนกัน ในความเป็นจริงคําว่าต่อเนื่องไม่มีสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับโดยเฉพาะจิตเกิดแล้วก็ดับในทับฉับพลันนั้นเลยเร็วมากนะแต่ทําไมรู้สึกว่าจิตตั้งทรงตัวรู้ตัวอยู่ได้ตลอดเพราะว่ามันเกิดจิตชนิดเดียวกันซ้ําๆๆ้ๆอยู่เงีน้นเกิดจิตที่มีสติมีสมาธิรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ไหลไปนะนั้นเราคอยรู้ทันบ่อยๆเวลาจิตไหลไปไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าฟุ้งซ่านทั้งสิ้น หลวงป ด, ดูลเรียกจิตออกนอกแต่ไหลทางไหนเราดูหกช่องทางดูยากเหนื่อยเกินไปเอาช่องใจช่องเดียวก็พอไหลทางใจเกิดบ่อยที่สุดไหลไปคิดนะเกิดบ่อยที่สุดสังเกตไหมเวลาไหลไปดูก็ต้องตามด้วยไหลไปคิดไม่งั้นดูไม่รู้เรื่องที่รู้เรื่องเพราะคิดไม่ใช่เพราะดูเวลาไหลไปฟังนะก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังรู้เรื่องเพราะไหลไปคิดนะนั้นใจเนี่ย ไ, ไหลไปคิดทั้งวันเลยอยู่ดีๆไม่มีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็อุตสาห์ไหลไปคิดได้กระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ยังไหลไปคิดได้อีกแต่ถ้าอารมณ์ที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอารมณ์ที่เบาบางไม่มีความหมายนะกระทบแล้วก็เลิกกันไปเจ้ากันไปไม่คิดต่อไม่คิดต่อไม่ทุกข์หรอกไม่กลุ่มหรอกผ่านไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นใจไม่ไหวขึ้นมาไม่กระเพิ่มขึ้มา เมืเรานั่งรถไปนะเห็นคนยืนอยู่ข้างถนน้ว้แต่คนไม่รู้จักไม่มีใครน่าสนใจเลยสวยก็ไม่สวยน่าดูก็ไม่น่าดูแต่งตัวก็งั้นงันเหมือนๆกันหมดเลยดูแล้วจูดๆใจผ่านไปเฉยๆเห็นเหมือนเห็นต้นไม้ข้างถนนอนะไรเงี้ยไม่สนใจใจก็ไม่กระเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้เรื่องอารมณ์นี้มันไม่มีกําลังพอนะถ้าเรา ม, มีกําลังพอนะ้พอกระทบทางตานะจะทํางานที่ใจต่อใจจะคิดต่อ กระทบทางหูใจก็คิดต่อนะงั้นใจเนี่ยกระทบอารมณ์แล้วทำงานบ่อยที่สุดเลยนะทางใจคือการที่ไหลไปคิดนั่นแหละงั้นหช่องทางเรียนทั้งหช่องทางมากไปเหนื่อยตายเลยหช่องเอาไว้หลงบ้างก็ได้อนุญาตนะแต่ช่องใจนะรู้ทันเอาไว้หนะช่องช่างมันเตอตามมงเห็นรูปแล้วช่างมันเอแต่ถ้าใจหลงไปตามรูปรู้ถัน หูได้ยินเสียงก็ช่างมาเติมไม่ต้องไปกาหนดที่หูไม่ต้องก็ไปกาหนดที่เสียงแต่พอหูได้ยินเสียงแล้วใจมันไหลไปตามเสียงหรือไปคิดเรื่องเสียงรู้ทันรู้อยู่ที่ใจนี่แหละถ้าใจไม่ไหลไปใจจะมีสมาธิขึ้นมาเห็นหอาศัยสติรู้ทันใจที่ไหลคือใจที่ฟุง้งซ่านทันทีที่รู้ทันความฟุง้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติดับแน่นอนไม่ต้องบังคับนะ ดับเองเพราะนั้นทาสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องสุดจหมูเลยไม่ต้องบังคับจิตถ้าบังคับจิตไม่มีสมาธิหรอกแต่ถ้ามีสติรู้ทันความเคลื่อนไปของจิตความไหลไปของจิตสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเพรอสติกระลึกรู้ความฟุ้งซ่านเมื่อไหรความฟุ้งซ่านจะดับทันทีความฟุ้งซ่านดับสมาธิก็เกิดถ้าสมาธิก็ไม่ฟุ้งซ่านนั่นแหละกลับข้างกันง่ายไหม เนี่ยเราฝึก อ, อย่างนี้เรืยนะมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตเราจะได้ศีลมีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเป็นกิเลสระดับกลางเป็นนิวรณ์รู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ออกนอกสมาธิจะเกิดเมื่อเรามีสมาธิเป็นขณะขณะไม่ได้เข้าฌานอย่างใครเขาหรอกไม่มีนิมิต ด, ด้วยไม่ต้องปวดหัวเรื่องนิมิต แต่การที่เรารู้สึกตัวขึ้นแวบหนึ่งมีสมาธิขึ้นแวบหนึ่งมันจะเกิดภาวะแห่งความรู้สึกตัวขึ้นมาเราจะไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดมันจะอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวได้เป็นขณะขณะไปพอเราอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวได้แล้วนีอย่าอยู่เฉยๆบางคนอยู่เฉยอีกไม่ดีโดยเฉพาะคนที่ได้ความรู้สึกตัวได้ตัวรู้มาด้วยการทําสมาธินะี่มักจะติดเฉยแต่ถ้าฝึกอย่างพวกเราไม่ค่อยติดเฉยหรอก สมาธิมันงอนแงนเหมือนเอาอะไรเล็กๆไปวางบนปลายเข็มนะแป่งๆงอนแง่นไม่ต้องกลัวติดเฉยหรอกไม่ติดหรอกยากส่วนพวกที่ทำชาญมานีชำนาญพะถึงชาญสองนได้ได้ตัวรู้ได้กูที่ภาวะาออกาจากชาญมานะตัวเนี้ยทรงอยู่นานพระทรงอยู่นะมีความสุขนะขี้เกียจ ขี้เกียจเจริญตัญญารู้กายรู้ใจนี่ครูบาอาจารย์จะสั่งสอนอบรมให้พิจารณากายให้อะไรให้หางานให้จิตทำไม่ให้ได้ติดเฉยอย่างพวกเราไม่ต้องไปพิจารณาหรอกฟุ้งซ่านจะตายอยู่แล้วอย่างพิจารณาไม่ได้หรอกมันฟุ้งนะมีสตินี่แหละรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจของตัวเองไปเลยเราจะลหลุดออกจากโลกของความคิดมันจะรู้สึกกายรู้สึกใจได้ เวลาที่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะมีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจเราก็ลืมลืมหมดแหละนะงั้นเราอย่าไปลืมกายลืมใจคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดไหมเราจะรู้สึกกายรู้สึกใจได้พอรู้สึกกายรู้สึกใจได้อย่ารู้อยู่เฉยๆดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานอย่าไปติดความสุขตรงนี้ความสุขตรงที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยเป็นความสุขของสมาธิเป็นกับดัก ทำให้เราไม่เจริญวิปัสนาไม่เจริญปัญญาต่อมีความสุขได้ไหมมีได้ทาสมาธิมามีความสุขหรือว่าดูจิตที่ไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้มีความสุขปุดขึ้นรู้สึกไหมที่หัดดูกันทีแรกะไหลไปแล้วรู้สึกมีความสุขขึ้นมาหลังๆเริ่มมาบนม่นว่าไม่เห็นมีความสุขเลยมันชักชินแล้วมันจะเป็ น, ป น, ปนอุเบกขามันเลยสุขนะจะเป็นอุเบกขาเราะั้นตัวจิตผู้รู้เนี่ย จิตผู้รู้เนี่ยมีเวทนาสองชนิดเท่านั้นคือโสมนัสเวทนาคือความสุขกับอุเบกขาเวทนาเฉยๆไใหม่ๆยังไม่เคยรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวทีแรกเนี่ยจะมีความสุขเวยขึ้นมาใครเคยเห็นความสุขที่เวยขึ้นได้ยังยกมือซิยกมือซิอซยอซยออยเยอะนะไม่ยากอะไรลองทาได้ต้องค่อนห้องก็ไม่ถือว่ายากนะแต่พอเห็นนานๆเป็นอุเบกขาเนื้อออกไหมรู้จะตื่นเต้นทําไม ร่้นจกของไม่มีสาระเลยยังไม่ใช่สาระแก่นสารเลยนะความรู้สึกตัวไม่ใช่เอาเป็นที่พึ่งที่หมายอะไรนะแต่พอรู้สึกตัวได้แล้วอย่าเฉยนะคอยรู้สึกเห็นกายทำงานเห็นใจทางานตัวนี้แหละการเดินปัญญาจะเดินปัญญาได้ต้องแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธนะ์หลังๆเราพ่อพูดเรื่องนี้เยอะเพราะว่าจิตพวกเราที่ค่อยฝึกกันมานะเริ่มตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้ว หลวงพ่อก็จะมาสอนมากเลยเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์ควจริงสอนมากเท่านแต่ก่อนบวชแล้วนะเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์แต่ว่าพอมาบวชนี่พวกเรามาเยอะๆส่วนมากบางรุ่นแรกๆจะติดสมาธิติดสมาธิมาก็ต้องบอกให้หยุดทำสมาธิก่อนนะหัดมาเจริญสติให้มากก่อนนะนี่พอเจริญสติเป็นนะธรรมาก็บอกฝึกให้จิตตั้งมั่นให้มีสมาธิดูสิสอนนี่พลิกแปลงมากนะ พวกติดสมาธิมานะต้องทุ์สมาธิทิ้งก่อนให้มามีสติให้มากก่อนพอสติชำนี้ชำนาญแล้วชักจะฟุ้งซ่านนะทำสมาธิอีกนะพอสมาธิได้ที่แล้วต้องแยกธาตุแยกขันธ์อีกนะงั้นที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะสอนพาเดินมาเป็นลำดับลาดับบางคนมาได้เร็วนะสอนเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์มานานนะบางคนยังไม่พร้อมก็ไม่ได้เรียนเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์ ก็เรียนเรื่องจิตผู้รู้ให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้นะบางคนตัวผู้รู้ยังไม่มีเลยไม่มนะีทำแต่สมาธิง่วงซึมนิ่งนิ่งแข็งแข็งทื่อๆให้เลิกก่อนเพิ่มสตนะิเพิ่มสติให้มากนี่การปฏิบัติมันต้องมีชั้นเชิงเหมือนกันนะใครมาบอกว่าหลวงพ่อประมวดสอนให้รู้ลูกเดียวเนี่ยขี้ตู่นะนะสอนตั้งหลากหลายนะสอนเราค่อยๆปรับจิต เป็นมันพร้อมที่จะเจริญปัญญานะฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาวิธีจะให้จิตเป็นผู้รู้รู้ทันจิตที่ไหลไปนะแต่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปได้เพราะอะไรเพราะสติใช่หไหมงั้นเบื้องต้นเลยสอนสติสอนให้มีสติกันจิตขยับนิดเดียวก็เห็นจิตขยับนิดเดียวก็เห็นสมาธิก็เกิดพอสมาธิเกิดแล้วก็สอนเรื่องแยกธาตุแยกขันให้เราดูธาดูขันมันทํางานจะเห็นธาตุขันไม่มีเรา ธาตารั์มีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราแค่เป็นอย่างนั้นอัดรู้อัดดูเรื่อยๆนะวันใดที่สติปัญญามันพอนจะรวมลงที่จิตสมาธิจะเกิดขึ้นแล้วเวลาที่เราดูจิตเป็นขณะๆไปนะจิตจะพลิกไปทำความสงบโดยตัวของมันเองเป็นช่วงๆไม่มีหรอกที่ว่าดูจิตแล้วจเจริญปัญญารวดเดียวไม่มีไม่มีเลยไม่มีใครเคยมีด้วย ทีมจะพลิกลงทำสมถะเป็นช่วงๆเนละสังเกตไหมบางทีก็เห็นมันไม่ใช่เราเห็นมันทำงานบางทีก็รู้อยู่เฉยๆตรงที่รู้อยู่เฉยๆนะั้นจิตพลิกเป็นสมถะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดินปัญญาไปนะใช้สตินี่แหละเดินปัญญาไปเรื่อยรู้รูป ร, ร, รู้นามไปเรื่อยสมาธิจะเกิดขึ้นจะเกิดเป็นช่วงช็อตสั้นๆไม่ยาวสมาธิที่จิตมันรวมลงเป็นช่วงขณะช่วงขณนะเนี่ยจะมีแรงเดินปัญญาต่อไปได้อีกช่วงก็ลงอีกก็ขึ้นอีก สลับอย่างนี้เนี่ยปัญญานําสมาธิอย่างนี้เนี่ยปัญญานําสมาธิพอฝึกมากเข้ามากเข้าสติก็สมบูรณ์นะศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็ดีตั้งมั่นปัญญาก็เห็นความจริงของรูปนามมีแต่ของเกิดดับเห็นธาตุเห็นขันแยกออกไปรั้นแต่เกิดดับรั้นแต่ไม่ใช่ตัวเราศีล ส, สมาธิปัญญาอตโนมัติไปหมดเลย ร่างกายเคลื่อนไหวสติรู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้จิตใจเคลื่อนไหวสติรู้โดยไม่เจตนาจะรู้นี่เรียกสติอัตโนมัติ่ะจิตตั้งมั่นอยู่ ร, รู้จิตไหลเปนิดเดียวรู้รู้แล้วก็กลับมาตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนาจะตั้งมั่นนี่สมาธิอัตโนมัติมันเกิดแล้วตั้งอยู่ที่ไหนสมาธิตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่จิตจิตตั้งอยู่ที่ไหนจิตไม่มีที่ตั้ง ยากไปแล้วตัวนี้ยากไปชักตาเหลือกแล้วสมาธิต้องตั้งอยู่ที่จิตนะถ้าใจไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไม่ใช่สมาธิที่ใช้เดินปัญญาอริยมรรคไม่เกิดเวลาที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยสมาธิจะมาตั้งอยู่ที่จิตสติระลึกรู้อะไรระลึกรู้จิตโดยไม่เจตนาระลึกสมาธิตั้งลงที่จิตโดยไม่เจตนาให้ตั้งปัญญาระลึกรู้อะไรรู้ไตรลักษณ์ของจิต โดยไม่เจตนาระลึกไม่ต้องคิดไม่มีคําพูดงั้นในขณะที่อริยมรรคเกิดไม่มีภาษามนุษย์เลยไม่มีคําพูดที่เป็นภาษามนุษย์มาเจือปนเลยมีแต่สภาวะล้วนๆที่แสดงใจรักอยู่ที่จิตเพั้นมันจะรวมลงที่จิตอันเดียวนะในขณะที่จะเกิดอริยมรรคทั้งๆที่เราจเจริญสติในชีวิตประจําวันอย่างนี้แหละทำมากเข้ามากเข้านะแต่แถมนิดนึงก็แล้วกันว่าทําในรูปแบบทุกวันจะเพิ่มพลังจะทําให้เร็วขึ้น ถ้าเดินสติจเจริญสติในชีวิตประจำวันรวดไปเลยถ้าสมาธิไม่พอ้อมันไม่รวมเวลารวมไปรวมอยู่ข้างหน้ามันไม่รวมเข้าะมาที่จิตนึนออกแหมมันจะไปวา่างสว่างอยู่ข้างหน้าที่หลวงพ่อบอกจิตไม่ถึงฐานไม่ถึงฐานนั่นสมาธิไม่พองั้นทุกวันทําในรูปแบบนะแล้วจิตไหลแล้วไปรู้ไหลไปรู้จะเข้ามาที่จิตจิตจะถึงจิตจริงๆพ อ, พอมันพร้อมจะรวมลงที่จิตนั่นสมาธินี่แหละเป็นตัวที่รวมจิตลงที่จิตนะ แล้สภาวะธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายนี่จะรวมพลังลงที่จิตที่เดียวเลยสติก็ลงที่จิตศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดลงที่จิตหมดเลยงั้นพลังทั้งหลายศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือโพธิปักขียธรรมทั้งหลายรวมลงที่จิตอันเดียวมรรคมีองค์8องค์ทั้งเจ็ดนั้นรวมลงที่จิตด้วยอํานาจของสมาธิสมาธิคือตัวองค์ที่8เป็นที่รวมขององค์มรรคที่เหลือ นั้นจะรวมลงที่จิตที่หลวงปู่ดูว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมัจพูดถูกเป๊ะเลยมันลงมาที่จิตนะมาตัดที่จิตนี่เองเบื้องต้นก็จะเห็นนว่าไม่มีตัวเราในที่ไหนเลยแม้กระทั่งที่จิตะเบื้องปลายก็จะเห็นว่ามีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งตัวจิตก็เป็นตัวทุกข์จะลงมาที่จิตนี่แหละจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมัจงั้นที่พวกเราดูๆยังดูไม่ถึงจิตนะแต่อาศัยดู ความปรุงแต่งของจิตไปก่อนแต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้ววันหนึ่งมันจะเข้ามาวางจะวางรูปวางกายวางความปรุงแต่งทวนกระแสพระมาหาจิตนั้นมาตัดกิเลส ท, ที่จิตนี้ไม่ยากหรอกนะวิธีนี้ใช้ปัญญานําสมาธินะรู้ทันกิเลสก็ได้ศีล ร, รู้ทันความฟุ้งซ่านก็ได้สมาธิรู้ทันความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้ปัญญานะ เชิญไปทานข้าว